คือพูดกันเป็นการภายในว่าเวลาเรียนอันนี้เะาเรียกว่าเรียนยทิษฎีคือเรียนข้อความหรือว่าป ร, ริยัติหรือว่าเป็นข้อให้เห็นกับตาส่วน อ, อีกระยะหนึงหน่งนั้นคือการเรียน ด้วยการปฏิบัติทีนี้การเรียนด้วยการปฏิบัตินั้นมองไม่เห็ น, นต่างคนต่างหลักตาและทีนี้จะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเวลาที่เราไปนั่งปฏิบัติกันบางทีก็ต้องอาจจะต้องเอาคำพูดอะไรต่งตางๆนี้เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะได้รู้แต่อย่างไรก็ตาม ไอ้ที่ความเป็นต่างๆของจิตใจเนี่ยมันก็คงปิดกันไม่ได้ใจคนเรานี่รงปิดใมทุกคนไม่ไม่มีไม่มีใครไม่มีใครไม่ตรงตรงทุกคนมนุษย์ในโลกเพราะว่าทุกคนนล้วไม่ใช่เฉพาะเราอใจของคนเราเนี่ยเอาเวลา อย่างเราไปโกหกใครสักคนหนึ่งอย่างนเนี้ยตัวเราเองก็จะต้องบอกแล้วว่าเรากําลังโกหกกำลังพูดไม่จริงนะนั่นคือความตรงความตรงของใจคนอย่างคนที่ไปขโมยเขาเดือดหยกเนี่ยโอย้ฉันไม่ได้ขโมยหรอกนีทั้งทั้งที่พูดว่าอย่างนั้นแต่ใจตัวเองฟ้องแล้วว่าเราไปขโมยเขาเพราะฉะนั้นในใจอันเนี่ย ยังไงเสียมันจะต้องโปรงเปิดเผยตลอดเพราะฉะนั้นนักศึกษาทุกคนที่มานั่งสมาธิคงจะปิดบังหลงพ่อไม่ได้ <c oughs> ใจเป็นยังไงจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลงพ่อลองพยายามศึกษาถึงรุ่น ต, ต่างๆเช่นรุ่นหนึ่งก็ดีรุ่นสองก็ดี มารุ่นสามก็ดีเวลาเป็นนั่งพวกที่รุ่นหนึ่งรุ่นสองมานั่งอย่างวันอาทิตย์อย่างนี้ก็เป็นระบบพอขณะพวกเรารุ่นสามไปนั่งมันก็เป็นอีกระบบหนึ่งอ้ที่ว่าระบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าแตกต่างกันแต่ว่ามันมาระดับคนละระดับอย่างเี้ย ทีนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยคือตั้งแต่แรกที่คณะพวกเรามานั่งสมาธิกันเนี่ยนับเป็นเวลาจากนั่นมานี้ก็หกสิบวันแล้วมันโดยประมาณเวลาเนี่ยจิตใจได้เลื่อนระดับขึ้นมาทุกคนเวลานี้ก็ได้เลื่อนระดับกันขึ้นมาทุกคนพอจบแล้วเนี่ย คงจะเข้าสู่ระดับเดียวกันที่ยังไงก็สูงต่ำกับกันนิดหน่อยทีนี้บางวันถ้าหากว่า อ, อนั่งตามสบายสบายไม่เป็นไรทีนี้บางวันเนี่ยเกิดไปนั่งอยากจะดูว่าใครทําอะไรยังไงเนี่ยยังไงอะอะไรอย่างเ ง, งี้ย พาไปดูข้าวทีนี้เราก็จะหัวเราะสิทีนี้อือ ม, มันอยหัวเราะทีนี้รู้จะทำยังงมนจะเราะหัวเราคนเดียวเดียวนักศึกษาจะว่าอ้าวหลวงพ่อเป็นไรไปนั่งขันนะ้ำมังคนไม่ะอะไรไม่รู้อ่ะ <laughs> อย่างนี้เป็นต้นอันนี้อันนี้พูดคำคำเป็นจก่งอ่ะมันเป็นอย่างนั้นอ่ทีนี้สําหรับการ้ฝึด แ่สมาธิเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าคุ้มคุ้มค่าของการเทเน่นักศึกษาทั้งหลายสลักเวลามาเต็มที่เนี่ยคุ้มคุ้มมากเพราะว่าการเทเราจะทำต่อเรื่องเนี่ยอย่างที่ตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้ไม่ง่ายนะในชีวิตนี่น <c oughs> ยทีนี้เมื่อการทำต่อเรื่องขึ้นมาแล้วนี่ผลมันต้องออก ยังไงซะผลต้องออกคนเราเนี่ยยังไงซะผลวาสนาวาตมีใครว่าสูงกว่ากันต่ำกว่ากั น, นมันก็ไม่เท่าไรถ้ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดมาเป็นคนไม่ได้การเรกิดก่อนจะมาเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันต้องมีเ้าเรียกว่าเอ่ออ่าไปแค่เรองต่ อ, อ, น, ตอ น, นี้ว <laughs> เนี้จะยากเลยเราไม่ได้ดูเลยอ่าอ่าไม่บอกแล้วไม่ต้องถามก็ได้อัอปปามัญญาธรรมเธอคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันจะมันจะต้องมีอันดับแรกที่จะเกิดมันเป็นมนุษย์ได้เรียกว่าอัปปามัญญาธรม ร, มธรมอัปปามัญญาธรรมอัปปามญา เป็นสละอาอัปปมัญญาเรียวแก่แล้วจะเป็นธรรมะเดี๋ยวธรรมะชื่อว่าอัปปมัญญาอัปปมัญญานี่ได้แก่สิ่งที่มีเมตตาและก็สิ่งที่มีความรักเราสังเกตดูอย่างท่วกสุนัขหรืออยามทั่วกสัตว์เนี่ยจะเป็นสัตว์ ร, ร้กาศแค่ไหนมันจะรักลูกของมันใครเข้าไปใกล้ลูกของมันจะเป็นได้เรื่อง อย่างนี้เป็นตนอันนี้เขาเรียกว่าอับประมันจะทําแล้วไม่ใช่รักเปล่าๆต้องดูแลด้วยอย่างเวลาที่นกมันไปคากเหยื่อมาเนี่ยมันจะมาป้อนลูกมันเนี่ยมันไม่ง่ายนะแล้วมันเอาไว้ที่ตรงคอของมันอย่างเนี้ยล้วมานกอาพับออกมานี้แล้วมาอยู่เกศจะหน่อยปากแล้วใส่ลูกนกมันจะอาบปากมันจะตับลงไปได้อย่างไงตรงพอดีนะก็เพื่อให้ลูก เพราะว่าอาปรมัญญาทำเหล่าเนี้ยมันจะพัฒนาให้สัตว์เนี่ยขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วมังจะมาเป็นมนุษย์ได้อันนี้เราว่าตามคำทีวิสุทธิมัสในคำที่วิสุทธิมัสท่านว่าอย่างนั้นนวยอย่างนี้แล้วเราพิจารณาดูมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นทีนี้สําหรับมนุษย์เนี่ยพอพัฒนามาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยทีนี้มนุษย์เนี่ยเกิด อัปปมัญญาอันนี้มันหายไปเกิดอัปปมัญญาตัวนี้หายไปแล้วก็กลายเป็นคนเที่ยวโผล่ทักโหดร้ายเมื่อเป็นแค่นั้นแล้วเนี่มนุษย์จะต้องกลับไปเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นสัตว์ใหม่จะต้องไปสร้างอัปปมัญญาทำมาให้ใหม่จนกว่าจะมากลับมาเกิดมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็พูดไปออกเรื่องไปแล้ว สิบห้านาทีกลับมาพูดกันถึงเรื่องวันนี้เราจะต้องพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของชาติก็ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าคุณสมบัตินี้ก็คือคุณภาพคุณภาพสิ่งต่างๆนี่มันต้องมีคุณภาพในตัวอย่างข้าอย่างนี้ก็จะมีแค ร, ร์แคร์แคร์ที่หอมอะไร ม้นก็มีคุณภาพมีวิตามินโปรโตีนพวกนี้เป็นต้นเช่นเดียวกันกันกบฌานฌานมันก็จะต้องมีปฐมฌานลุติยาฌานสติยาฌานและปฐมฌานเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีขั้นเดียวในปฐมฌานนี่มันมีต้องเป็นร้อยๆลุติยาฌานก็ต้องมีเป็นร้อยๆ อ, อย่างเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเป็นปฐมฌานแล้วก็เหมือนกันหมด ไม่เหมือนบางคนอยู่ตรงนี้ก็เป็นผสมชาญแต่แต่ว่าคนก็ไปอีกชั้นึก็เป็นผสมชาญมันก็ยังเป็นผสมชาญอยู่แต่ว่าอคุณสมบัติต่างกันคนได้ผสมชาญเหมือนกันแต่ว่าไปได้ผสมชาญตรงชิ้นหนึ่งบางคนก็ได้ครึ่งหนึ่งอย่างนี้หรือว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันจะเป็นนี่มันเป็นมายัางไง ก็ฟังตรงนี้หน่อยว่าฌานนั่นคือขณะที่สวยสุขถ้ามันยังไม่เป็นสุขนี่มันเป็นฌานไม่ได้มันจะเป็นเรื่องของสมาธิสมาธิจะมีสุขเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นธรรมดามันไม่เหมือนกันกับฌานฌานเป็นตัวสวยสมาธิเป็นตัวรมในขณะที่จิตเป็นสมาธิมันก็มีความสุข เอออย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นฌานทีนี้เพราะมันมาเข้ามาเข้ามันก็กลายเป็นถึงขัข้นฌานซึ่งเรียกว่าความสวยทีนี้ต้องเข้าใจว่าฌานมันมันก็มีหลักหลักนั้นคือจุดที่ตั้งของฌานฉะนั้นผู้ได้ฌานจึงต้องใช้ความจำที่ตั้งขวอนี้หมายถึงผู้กำหนดในขณะสะวยความสุข โดยมากผู้รับผลของฌานในเบื้องต้นจะยังหาหลักไม่ได้ถึงเมื่อเข้าไปแล้วมันก็กดอนออกมาเข้าไปมันก็ดอนออกมานี่หมายความว่ามันยังไม่ได้เป็นหลักเป็นเกณฑแต่ก็ได้ฌานเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่เข้าขัน้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเถ้าะฉะนั้นก็เลยจับหลักไม่ได้ต่อมาเมื่ออาศัยความชำนาญ หมายความว่าเราจะถึงว่นสมัมมชาที่เดียวถึงเทเดียวก็ถึงอีกมันก็จะกลายเป็นเ้าเรียกว่าวัตสีวัตสีเนี่ยพอแหวนสอ่อเสือทะเลเขาเรียกว่าวัตสีวัตสีเนี่ยเป็นคําภาษาบาลีแต่ว่าภาษาไทยเราแปลว่าความชํานาญอย่างเนี้ยความชํานาญอนี่พอความชนานาญก็ อ, อก็จะไปพบหลักเมื่ออาศัยความํานานเขาก็จะได้หลักพอได้หลักแล้วเขาก็จะเข้าฌานได้อย่างสะดวกสบายอันนี้เป็นอย่างนั้นอันนี้นะตามความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบางคนก็ได้สมาธิเยอะแต่ก็เข้าฌานไม่ได้เพราะจับหลักไม่ได้อย่างนีน้แล้วก็มาเออ ตอว่าหลวงพ่อหาว่าทำสมาธิเท่าไรก็ไม่เห็นสบายสักทีอนั่นมาต่อว่ากันหลายคนแล้วจะให้เข้าใจอย่างนี้ว่าในขณะที่จิตของเราไม่ได้เข้าฌานนั้นจิตของเราเป็นสมาธิให้พอใจว่าจิตของเราเป็นสมาธิถึงเราจะนั่งคิดนั่งนึกไปก็นั่งไปเฉะ อ, อ่ะมันก็เป็นสมาธิแล้วมันก็ได้พลังจิต ไอ้อย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าเรานั่งสมาธิสบายแล้วก็อ่ายใจจ่ายใจไอ้ตรงสบายนั่นก็เรียกว่าตรงฌานอันนี้ยก็ตายใจก็ได้สบายก็สบายเมื่อไหลสบายก็สบายไม่รู้มันจะเป็นยังไงแตสุดแล้วแต่สบายก็สบายทีนี้เมื่อเราไม่พิถีพิถันหรือว่าเราไม่คิดอยากจะสบายอย่างนี้อีก หรือว่าคิดอยากจะสบายอย่างนี้แต่ว่าเราจับทางไม่ถูกอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าเรายังไม่ได้หลับเครยังไม่ได้หลับพอพอมันสบายแล้วเนี่ยถ้าหากว่าได้หลับแล้วเนี่ยมันก็เข้าได้บ่อยๆเคเรียกว่าเข้าได้อย่างสะดวกสบายอย่างไรก็ตามบุคคลต้องอาศัยการจุดจอ่อหรือว่าอยู่ตรงจุดที่ตั้งแต่ว่าการจะทําสัญญาณ เป็นเพียงเครื่องหมายนั้นมันเป็นฌานไม่ได้พอเวลาที่จิตมันไม่สบายเวลาเป็นสมาธิเนี้ยนี่เขาก็เป็นจิตสั่งคือที่พักจิตพักจิตนะ่ะเขเรีย ก, กว่าจีตพักของสมาธิอันนั้นจิตเครื่องแต่พอเวลาเป็นฌานเนี้ยเราจะเอาแบบเราไปพักจิตอย่างนั้นมันไม่ได้มันจะเป็นฌานก็คือเป็นฌานเนี่ แล้วทีนี้เราจะต้อง เ, อเข้าใจอย่างนี้ว่า Are, การเป็นฌานนั่นคือความสบายเออมอู้วีสบายหนักหนาอย่างนั้ น, นมาเป็นฌานแล้วและเป็นฌานแล้วตรงนั้นอ่ะไอหลักมันอยู่ที่ตรงไหนจุดมันอยู่ตรงไหนทีนี้เราจับไม่ได้เพราะจับไม่ได้ทีนี้มันตัองจุดไม่ได้ที่หลังมาก็เข้าไม่ได้แล้วทีนี้ทีนี้เมื่อเข้าไม่ได้ก็ต้องลอยให้มันไปว่า เมื่อมันถึงคราวแล้วม่อจะเข้าเห็นมันอย่างนี้เพราอันนี้มันก็ต้องรอเวลาเพราะฉะนั้นคนที่เขาทำฌานบางคนอย่างที่มันเนอเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าพอเข้าทีไรเข้าฌานทุกทีอย่างเนี้ยไอ้บางคนก็เป็นอย่างนี้ได้อันนั้นก็คือว่าอาจจะเป็นเนอด้ว ย, วย จ, จิตใจหรือว่าอาจจะเป็นด้วย เรียกว่าเรียกว่าอะไรนาะอ้อที่มันเนี่ยอันนี้ก็ไว้อธิบายทีย่หลังแล้วกันยัง <c oughs> ไม่ออกอ่ามาเหมือนกันก็ว่าทำเมื่อไรก็ได้มันมันไปจับพัดจับหูได้เข้าอ่ะับแล้วอะไรไปรู้ทางเข้าอย่างนั้นแต่ทีนี้โดยหลักการแล้วเนี่ยโดยหลักการต้องการเข้าฌานเนี่ยมันต้องมีหลักการอ่า เพื่อที่จะให้เป็นไปได้ทุกคนมันต้องมีหลักการพะเราเกิดความสบายขึ้นมาก็จะมีจุดที่ตั้งมันมีจุดที่ตั้งก็เรียกว่าจับจุดตรงนั้นทีนี้บุคคลเป็นฌานนั้นเขายินดีในความสุขตลอดระยะเวลาฌานเมื่ออยู่ไปนานๆจะอยู่ในใจของผู้นั้นถูกบันทึกอันเนี้ยมันจะใจเนี่แหละจะเป็นคนบันทึกฌานอ น, นั้นไว้ มันจะมีการบันทึกเป็นไอการบันทึกนี่เขาเรียกว่าหัวเชื้อหัวเชื้อการบันทึกเนี่ยชานเนี่ยมันต้องมีหัวเชื้อเป็นการบันทึกบันทึกลายเป็นหัวเชื้ออันนี้หัวเชื้ออันนี้มันจะเป็นหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ของชานซึ่งมันเหมือนกันกับพลังจิตอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นหัวเชื้ออันนี้จะไม่มีการสลายมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นแหละ แต่ว่าไม่มีอะไรไปจุดหัวเชื้อทำอะไรไม่ได้อย่ามนี้เป็นต้นหัวเชื้อนี่เองที่เขาจะเพิ่มเติมเรื่อความสุขแห่งความเป็นหนึ่งเพราะเมื่อหัวเชื้อมีจุดที่ตั้งแล้วและเป็นจุดที่เหนียวแน่นและแร่งพอเทียงจุดหัวเชื้อก็อจะเกิดฌานขึ้นมาทันทีอันนี้อ่าเพราะ น, นั้นคนที่บำเพ็ญฌานมากๆ เอขาจะมีจุดหัวเชื้ออันเนี้ยทั้งเหนียวทั้งแปดที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังที่ลูกศิษยท่านะมหาเดชะป่าห อ, อได้ฌานหอได้นะั้นไม่ใช่ธรรมดาหอได้ด้วยแต่กิเลสไม่หมดเราคนมีฌานะกิเลสยันอยู่เท่าเก่ามีเท่าไรก็อยู่เท่านั้นแต่กดเอาไว้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อไปเห็น หญิงสาวเท่าก็เกิดความยินดีเมื่อเกิดความยินดีทั้งหมดเหลือแต่หัวเชือ้อที่จุดกระจายก็หมดตกลงมาทีนี้ตกลงมาแล้วเออเพื่อไปได้เสียกับผู้หญิงพอได้เสียแล้วก็ทํามหากินอะไรไม่เป็นก็ไปปล้นเขาแล้วเขาจับออกไปป่าหารชีวิตถ้ามหาจัตวาท่านสงสารฤกษ์ท่าน่ะ นันกด้แผบเข้าไปแย จ, จุดหัวเชื้อแย่ทั่วเท่าทนั้นแล้วขาทําสมาธิขึ้นมาได้ฌานก็เกิดขึ้นทันทีเพราะมันมีหัวเชื่ออยู่แล้วอย่างนี้และแกก็หอบต่อหมายความว่าเอเชื่อมพันธนาการนั่นแ่ะหลุดหมดแกก็หอบต่อไปได้อ ต, ตัวจุดหัวเชื้อคืออะไรตัวจุดหัวเชื้อคือสมาธิเพราะฉะนั้น เมื่อเขาขาดสมาธิไม่มีอะไรจะจุดหัวเชือ้อฌานก็เกิดไม่ได้้ดวยเหตุนักล่าวสมาธิจึงมีความสำคัญที่จะต้องอยู่ในการดูแลและฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาเนื่องด้วยพลังจิตนั้นเกิดจากสมาธินั่นเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญทีิ่งปัจจัยอื่นจะมาจุดหัวเชื้อของฌานไม่ได้เฌยฌานตัวนี้ท่านเขาทำไปแล้ว หมายความว่าถ้าเขาทำไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้แต่ต้องมีสมาธิมาจุดให้อย่างนี้เป็นต้นแล้วเราพูดกันอย่างนี้ว่าเอาเปรียบเทียบกันต่อไปอการที่พลังจะเพียงพอหรือไม่อยู่ที่การสุขผลของสมาธิจนเขาต้องพูดกันอย่างนี้ว่ามีรถยนต์ไม่มีน้ำมันมันไปไม่ได้อน้ำใส่ เอาทานใส่แบบหลวงพ่อขึ้นสมัยสงครามน้ําใสเอานั่นมันมันมันมันไปได้เหมือนกันแต่มันจะโทมกระโทงไปอย่างนั้นเองแต่ถือน้ําใสเดียบจะเลยพังเลยยามที่เขาเอาทานใส่นี่ยนะมันพอไปได้แต่พอเลิกสงครามแล้วก็พังเนี่ยนเยงเลยเพราะมันไทยสมัยนั้นไม่มีเหลือมันผิดมันผิดสแปลกมันเพราะฉะนั้น เมื่อไม่มีน้ํามันรถยนต์เดินไม่ได้มีทั้งรถยนต์มีทั้งน้ามันถ้าไม่มีคนขับก็เรียบร้อยขับไม่เป็นไปไม่ได้เราเปรียบชานเป็นรถยนต์เราเปรียบสมาธิเป็นน้ํามันเราเปรียบใจคนเป็นเออเราเปรียบใจเป็นคนขับอย่างนี้ทําไมเราเปรียบอย่างนี้ได้ อันนี้พอมันเสียเป็นรู ป, ปรธรรมเพราะว่าอธิบายเป็นนามนธรรมแล้วมันก็ฟังอำบากอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นขึ้นต้นตใจของเราเนี่ยมันเป็นของไม่ตายอยู่แล้วใจนี่เป็นผู้สั่งการเพราะฉะนั้นใจจะสั่งการให้บริกรรมก่อนอันนี้นคือคนขับเริ่มหาแหล่งนะ้ำมันแล้วเมื่อบริกรรมใจนั่นแหละ ที่จะหยุดอารมณ์คือว่าในขณะที่ใจอันเนี้ยมันไม่มีสมาธิมันมีแต่อารมณ์ทั้งนั้นมันจะไปจุดหัวเชื้อของออชาติไม่ได้ก็ต้องตัดอารมณ์ทิ้ง ต, ตัดตัดตัดตัดตัดตัดจนกระทั่งไม่เหลือเหลือแต่อารมณ์อันเดียวที่ว่าเป็นพุทโธนั่นสมาธิแค่จะเป็นพลังงานคือเ อ, อพลังงานคือน้ํามันที่จะจุด ใส่หัวระเบิดจนเครื่องยนต์เดินเครื่องยนต์ก็ทางานหมายถึงชาญจะก้าวต่อไปตามลาดับอันนี้เราเปรียบเทียบให้ฟังเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงว่าออไอชาญเนี่ยเราจะทำให้มันเกิดได้อย่างไรขนาดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะรักษามันยังไงแล้วในการที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย เราจะจุดกันตั้งไว้ตรงไหนเนี่ยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันต้องทำให้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วเมื่อเราจะทำยังไงละเราก็ทำถ้ามันไม่เกิดขึ้นมาเรามาเรียนเท่าไหร่มันก็เท่านั้นมันก็ไม่ได้อะไรแต่ที่นี่เมื่อเราเรียนขึ้นมาแล้วเรารู้แล้วอย่างเนี้ยเราก็จะรู้ความจริงที่ว่าเมื่อเวลาเราสบายอ่า หลวงพอบอกว่านั่นสุชานไม่ใช่หลวงพ่อพูดตำลาเขาพูดอย่างนั้นเพราะว่าคําคว่าสุขคําว่าสบายอเช่นอย่างฟีจิตสุขเอกชจายอย่างเนี้ยฟีจิตสุขเอกชจายเป็นอง์ชาติฟีจิตสุขเราก็ชัดเจนอยู่แล้วอันนั่นสุชาตและวฟีจิตสุขเราเนี่ย เราก็ได้กันทุกคนมานน่าสมาธิทีนี้ในชา้นเหล่านี้เราจะทำยังไงมันถึงจะเกิดติดเป็นหัวเชือ้อขึ้นมาได้อันนี้เดี๋ยวที่เราว่าพอเวลาสบายเชืว่าเมื่อทำขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเอามาปรับปรุงให้มัน อ, อมีสมัครสภาพหรือมีอะไรอะไรตับสางได้แต่ทีนี้ไม่ใช่ว่า เราจะไปนึกไปคิดปรับปรุงเอามันไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นมาแล้วจํนานาญไปมันเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นวัตถิไปอย่างนี้จะเรียกว่ า, าเป็นโครงชันหรือเรียกว่าอันนี้แหละเป็นคุณสมบัติที่เราจะได้เข้าใจกันให้เข้าใจอย่างนี้อจบเออเลขาเนี่ยมาแย่เรื่อยว่าหาว่าหลงผูกมั่นไม่เอาละ <laughs> ไปถึงจังหวัดทุบลถ้าอาจารย์ต่ตางๆที่ท่านมาเนี่ยแต่ก่อนเวลาที่หลวงพ่อปฏิบัติพระอาจารย์อยู่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นอย่างนี้ก็พอดีเจอพระอาจารย์เทพหลวงปู่เทพว่าเป็นอย่างนั้นที่ท่านถึงนมรณะภาพไปแล้วก็ราชทานีสมศรีเรียบร้อย <c oughs> บอกว่าท่านอาจารย์เพทยเนี่ยเป็นพระที่ดื้อที่สุดในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหมดท่นว่าอย่างงั้นและทําไมท่านกลายมาเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ลองเข้าคถามท่านจะบอกว่าท่านดื้ออะไรเรียกว่าดื้อที่สุดที่รู้ว่าอ า, อาจารย์เพทยเนี่ยยังอยู่ในฌานี่ยคือไม่ยอมที่จะออกจากฌาน ทำอะไรเท่าชาลุตีสิบสองปีอาจารย์ท่านจะแนะนำเท่าไรก็ไม่ยอมออกจะเท่าชาลู่เดียวอยวเนี้ยนี่คือท่านยกตัวอย่างเพื่อที่จะให้รู้ว่าชาลเนี่ยถ้าหากว่าเข้าไปแล้วมันสบายแล้วคนจะหลงพอหลงแล้วเนี่ยถอนตัวไม่ถึกถ้าถอนส่วนไม่ขึ้นจะ อ, อยู่อย่างนั้นก็คิดว่าพอหลงจบพลังจิตอะไรแทนที่จะได้มาก ก็ไม่ได้สกบหลงก็สบายอยู่ในฌามติสองปีทั้งนั้นท่านก็พาไปที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนี่จะพาขึ้นไปอยู่บนนอนบนดอยบางคนจะดอยอินทนนท์เลยดอยดอยดาวดอยอะไรมันมีดอยเยอะในเชียงใหม่เชียงไหนออที่นี่ก็ดีแล้วอ่ะ อาจารย์ให้อาจารย์เทศท่านเขียนที่นี่ก็ดีแล้วออดีแล้วท่านก็นเลยเอาอย่างนี้ว่าดีแล้วไม่ดีก็รู้กันนะวันนั้นพอดีอสาวมูเซอสาวมูเซอมันอยู่ข้าบนภูเขาเนี่ยหน้าตามันสวยดีอ่ะอหลวงผู่มั่นเขาก็ไปแนะพวกชาว บ, บ้าน มุสเซเรู้สาวไทยคนนี้ออกรู้สาวเฮนี่จจัดงานได้ไหมเนี่ยเออไงไดจะเอาองค์ไหนกันนี่เรียกเอาชีวิตหงพูแท้เสเนี่ยเออโอเคจะนักอะไรก็ได้ไม่ว่ากางนหลวงพ่ขนาดนี้นะ เวลาที่ทันพลมานคนนี่น่าดูอ่ะเสร็จแล้วยกเลิกไปไหนก็ทีนี้หลวงปูเทพเพราะหวอย่างนั้นครับเนี่ยนอนไม่หลับเห็นหน้าสาวประหลงทีเนี่ยไม่ใช่สาวมูเซอร์หลวงปูมั่นท่านสวดดูท่านเบอวดนั่งป น, น, น, น, น, นั่งจิ้มและทีนี้ออ เสร็จแล้วสามวันหลวงพิเทศนอนไม่หลับคิดถึงสาวปรลมเฮ้สาวมูเสเซอ้อามให้มันอนไม่หลับสามวันแล้วมันจะทำยังไงมันว่ามาหลวงปู่ม่นท่านบอกว่าอ้าเอาเอเรากอ น, นุญาตให้พักเทศเสร็จและจะได้เป็นครูสอนอยู่ที่ พวกมูซอร์นี่พวกมูเซอร์ไม่มานาไม่ออกแกศึกไปศึกไปสอนนามสือไปออลเลยหลวงปู่เทพเขาเหมาดีฮะศึกแน่บอกแน่ไหมแน่เล็กน้อยพี่นะอาทิตย์หนึ่งชา น, นี่มันจะเสื่อมหมดเลยมันเหลือแต่ตัวทีว่านั้นหลวงปู่ มันก็เวลาท่านจะเทศท่านก็จะเทศให้คนเนี่ยพร้อมๆกันเลยเอามาท่านแปลงั้นภิกษุทั้งหลายมันนั่งกันสิบกว่าองค์บอกว่าใครบ้างที่จะคัดคานในเมื่อพระเทศจะสึก่อนนั้นกันยังนุ่มอยู่ไม่มีใครคัดคานและแต่หลวงปู่หลวงปู่ก็ไม่คั ด, ดคานเหมือนกัน ว่าไงเราจะต้องเรียบกัดขันเกงกระสิทีเนี่ยพวกปลอมพวกบอกว่าผ้ายะๆทีเนี่ยเอาตีตัวก็ได้ก็เลยในที่สุดอาทิตย์หนึ่งผ่านไปท่านจะเรียกมาประชุมอีกเป็นครั้งที่สองท่านก็อบอกว่านี่ยประเทศแค่โดนซีข่างบอลนักนะแมงครึ่งนะมันจับอยู่ข้างบอลเนี่ย แต่ว่ามันเป็นแมงหมาล่าแมงหมาล่ามันก็จะต้องเป็นดินอ่ะแต่ว่ามันเหมือนเหมือนกันกับรังพื้นหลวงปู่มั่นท่านต้องการอยากจะดูใจว่าหลวงปู่เทศนี่จะแน่แค่ไหนท่านก็บอกว่าแท่อันนี้มันลั่นขึ้นนะไม่ใช่แมงหมาล่าลาั่นขึ้นแมงหมาล่า ล้างพึ่งแมงมาล่าก็แสดงว่าจิตใจแกเนี่ยใช้ไ <endpoint> ด้เะว่าว่างนั้นถ้าท่านว่าล้างพึ่งแล้วแปลว่าล้างพึ่งตามท่านใช้ไม่ได้ใจเวไม่แน่เพราะเจ้านั้นแกเสร็จไม่ได้ก็ยังดีอยู่ ไม่สังตัด แ, แล้วสงโลงนึงเจงเลิกกันแ้และเป็นยังไงอกสิบสองปีบอกว่าเรียบร้อยชาหายหมดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นนอนติ้นอยุดสามเจวันคิดถึงผู้หญิงนี่แหละเป็นอย่งงางนั้นเพราะฉะนั้นการทเทไปติดอยู่ในชาญนั้นเมื่อชาญมันเสื่อมแล้ว จะเป็นปู้พิชนเป็นพันทิมันจะไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องอต่อสู้กับกิเลสอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้ท่านจะและพูดต่อไปว่าทำไมอาจารย์เทพมันถึงได้ดื่อย่างนี้ท่านก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นน้องชายแต่ก่อ น, นในขณะนั้น หลวงปูท่านเช็นเสนาบดีอยู่ที่เมืองสุร ashtra เพราะฉะนั้นาน้องชายเสนาบดีมันก็ดื่อย่างนี้ในที่สุดพระอาจารย์เทศ ก, กับตัวได้กลับกลายมาเป็นพระอาจารย์ใหญ่ต่อมาภายหลังจะจบเท่านี้เหรอได้องที่สองแล้วนะหลายองค์หน้าที่คราวที่ไปอยู่ที่ เอู่บนเนี่ยผมจะได้เล่าหลายองค์แต่ว่ายังไงซะเรื่องราวนี้ใครๆก็คงจะไม่ค่อยได้ฟัง <c oughs> เพราะว่าถ้าหลวงปู่มั่นท่านจะคุยกับหลวงพ่อเรื่อยๆแต่พระองค์นั้นไปเพราะอะไรเพราะว่าเอหลวงพ่อเวลาที่อยู่กับท่านเนี่ยจะซักไปซักมาไปเยอะก็ออกองค์นั้นทีง จะไปสมาธิเราออกที่อย่างเงี้ยจะาหลงพื้นไม่กล้าสักเพราะว่ากลัวท่นานหลวงพ่อไปที่แรกกลัวโอ้โหยังโอยเสียวหมดเลยตัวแต่พอบีบไปบีบมาเลยหายกลัวสำเร็จได้วิ ช, ชามาอย่างนี้เป็นตน้นอละเุาคงจบตัวนี้เฮ้ยเวลาเหนยเยอดนี่ <c oughs> หายเยอะหน่อยก็คงจะต้องแต่เออ หนึ่งศูนย์เจ็ดห้าคุณสิยมณ์ชัดวรรัตกลัมาในการสัมาษณ์ติดมีปัญหาถามอาจารย์นะคะเอ่อขณะที่ติดปฏิ บ, บททัติสมาธิอยู่นะคะขณะที่นั่งอยู่น ะ, ะมีเสียงมาพูดกระติกแล้วติดก็ลึกออกไปก็เป็นเสียงพูดถึงอาจารย์นน ะ, ะอันนี้ติดในระดับนะะี้นคืออะไรฮะคือมีเสียงมาพูดด้วยแล้วก็ จะคิดจิต ค, คิดถามออกไปก็เป็นเสียงออกไปแต่ว่าที่เราไม่ได้พูดออกไปอะค่ะนนเราใจพูดถือว่าออกเสเียงจริงๆไม่ได้ไม่ถึงว่าจิตนะคะคิดที่ว่าจะพูดนะคะแต่ไม่ได้พูดแต่มีเสียงเหมือนเหมือนเราพูดนะคะเหมือนกับคนในคนเดียวมีคนอยู่สองคนอันนี้ก็เกิดขึ้นจาเวลาที่ทําสมาธิเนี่ยเวลาเกิดเนี่ยความสงบอะไรเนี่ยเอ๊ นอกจากภาพแล้วมันก็เป็นเสียงได้ด่วยสําหรับสิ่งที่แอบนันงเก็บไว้ในใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเช่นอย่ า, า, งางพระบางองค์ท่านเรียนเนธธรรมะม า, มาทีนี้ธรรมะก็สังอยู่ในใจท่านพอเวลาทําสมาธิเข้าธรรมะเหล่านั้นมันก็ปรากฏเป็นเสียขงข้นมาเขา้าเตือนว่า เ, เป็นอย่างนี้เป็นธรรมะ ชั้นนั่งชั้นเล็กอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เมื่อเราเนี่ยมีความรู้จิตอย่างนั้นขึ้นมันก็จะต้องมีการถามอันนี้เราถือว่าเป็นนิมิตอันนึงก็แล้วกันอาจจะเป็นอความถูกต้องด้วยและออาจจะเป็นความไม่ถูกต้องด้วยแบางสิ่งบางอย่างนี่ยอาจจะ พูดเกินเลยไปบาเสิ่งบังอย่างก็อาจจะพูดพอดีอะไรนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตอันหนึ่ ง, งก็แล้วกันจากพระคุณพระอาจารย์ต่อไปขอเชิญคุณสุภกิจนนทนานันท์กลับนมัสการพระอาจารย์ครับอติดมีข้อสงสัยอที่อยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิกับ การรักษาโรคนะครับในหลักสูตรเล่มที่สองที่พระอาจารย์เขียนไว้ในหน้าที่42นะครับในขั้นตอนเกี่ยวกับการกำหนดจิตที่ยังมีข้อสงสัยอยู่เล็กน้อยนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆในรุ่นหลายคนอาจจะสงสัยในลักษณะเดียวกันก็คือหลวงพ่อได้คูรณาอธิบายว่าในส่วนบนนะครับให้กำหนดเป็นสีเขียว แล้วก็ส่วนล่างให้กําหนดเป็นสีแดงสีที่จิตสงสัยก็คือส่วนใกล้นะครับให้กําหนดลําแสงดุดเทียนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนไกลกําหนดลําแสงดุดเทียนเล็กจิตสงสัยว่าใกล้นี้คุดใกล้อะไรครับแล้วก็ลําแสงดุดเทียนใหญ่นั้นคือทําจิตให้เป็นเทียนเล่มใหญ่อย่างนี้ใช่หรืเปล่าครับขอความเมตตาอาจารย์ช่วยกรรณา ใช่ครับเอเอเดีเ๋ยวพลังจิตนี่ถ้าเราต้องการจะทำจากนั้นก็ถือว่าทำได้แ ต, ดไไแต่ถ้าพลังจิตไม่พอก็ไม่น่าทำแต่ถ้าพลังจิตพอก็ควรจะทำเพื่อเป็นประโยชนต์ต่อประชาชนทั้งหลาย คือว่าพอนั้นเวลาที่กำหนดจิตนั้นอารมณ์ต่างๆมันก็จะหยุดพอหยุดแล้วนี่มันก็พลังเดิมมีอยู่แล้วพลังใหม่เข้าไปช่วยด้วยก็สามารถาในจิตนั่นจะผสมสีได้คือธรรมดามันจะต้องสีขาวแต่ ถ้าหาว่าจะผสมสีเขียวหรือผสมสีแดงอะไเนี่ยมันต้องมีพลังจิตเพิ่มขึ้นเถอะพลังจิตไม่เพิ่มมันจะเป็นสีขึ้นมาไม่ได้พอเป็นสีขึ้นมาแล้วนั้นมันก็มีการเพ่คําว่าไกลหรือใกล้เคยใกล้จากตัวเราไกลก็คือไกลจากตัวเรานะแอะอยู่ที่ใกลนะ้นั้นน่ะไม่จําเป็นต้อง แล้วก็ต้องทําให้่กระแสเนี่ยมันรวมตัวอยู่มันก็ทําเป็นทางที่ใหญ่ไปได้ส่วนที่อยู่ไกลนั้นอ่ะมันทําใหญ่ไม่ได้มันก็ทํากระแสเล็กลงไปกระแสจิตนั้นไม่ใช่มิมิตกระแสจิตต้องเป็นกระแสจิตกระแสจิตพอเวลา ไปถึงแล้วมันจะเกิดความรวดเร็วกระแสจิตมันมีความรวดเร็วมากยังอยู่ที่นี่ก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่อย่างนี้ถ้าใครเป็นอะไรอยู่ที่เชียงใหม่อ่านี้กาหนดแพ็เดียมไ็จะไปถึงแล้วกระแสจิตสามารถทำได้แต่ <c oughs> ยังไงก็ตามในเมื่อเวลาที่เราจะทำอย่างนั้นก็ไม่น่าจะต้องทำร่งเครื่อ แล้วก็ไม่ควรจะทำแบบมากเกินไปอยู่ในฐานะพอดีเหมือนกันกับเราทำงานทุกอย่างการใช้กระแสจิตก็เหมือนกับเราทำงานทุกอย่างในเมื่อเราใช่มากเกินไปคุณภาพมันก็ต่ำอยีงนี้ถ้าหากว่าทำมากเกินไปก็คล้ายๆกับมันเปรอะและบางทีถ้าหาว่าเห็นแก่ประโยชน์ ก็กลายเป็นในเรื่องของสินค้าเรื่องอะไรที่นี่มันก็ทำให้เกิดความเสียหายแก่วงการขาดเมตตาอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คงมาที่บ้านในตอนนี้ขอบพระคุณครับอต่อไปขอเชิญนออสุเทพสิงคลีลาภในมัรการท่านอาจารย์ที่เคารพติดขอ อยาขอคํ า, าคแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเจริญสติในชีวิตประจําวันของคารวัต น, นะให้เป็นมหากุศลนีวิธีการแหนง่ายๆอสตินี่มันจะเกิดจากพลังกิจเพราะฉะนั้นเวลาเราทําสมาธิเนี่ยทุกครั้งที่เราทําสมาธินี่เราจะเก็บพลังของเราไว้พลังนั้นจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งเรียกว่าพลังหลักส่วนหนึ่งเรียกว่าพลังเฉลี่ยพลังหลักนั้นจะมีประมาณ 60% ของแต่ละครั้งพลังเฉลี่ยจะมีประมาณ 40% เนี่ยเมื่อเราเออทำสมาธิทุกครั้งเนี่ยพลังเฉลี่ยนี้จะเก็บไว้ใช้ประจําวันเมื่อ <c oughs> เราทําสมาธิมากเข้าเนี่ยสตินี่จะเกิดขึ้น เพราะสติเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีการควบคุมคือสติมันจะช่วยเราอยู่ตลอดไม่ ว, ว่าเราจะเรียนหรือเราจะทำการงานเพราะว่ามันอยู่ที่ใจเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นเราทำเราไม่อยู่ที่ใจเราเพราะฉะนั้นเวลาไปทำงานก็สติก็เกิดขึ้นควบคุมได้อ น, นี้เป็ผู้ที่ทาอย่างสม่ำเสมอแต่ถา้าหากว่า จะทำอย่างที่ง่ายๆก็คือทำวิปัสสนาเทสก็ใช้ได้คือทำวันละสิบห้านาทีเช่นอย่างหกโมงก็หกโมงห้านาทีหรือว่ากลางวันก็เที่ยงถึงเที่ยงห้านาทีหรือหกโมงเย็นก็หกโมงเย็นห้านาทีวันหนึ่งสิบห้านาทนีใช้ได้สามารถที่จะเพิ่มพลังจึกให้มันเกิดสติขึ้นมาได้ จบแล้วครับขอบพระคุณครับต่อไปขอเชิญคุณไพลินคุณจิตติกราบในมัสการพระอาจารย์จิตมีคำถามดังนี้เมื่อเวลาจิตนั่งสมาธิจะได้ยินเสียงแห่งความเงียบเกิดขึ้นเหมือนเป็นคลื่นเสียงหรือกระแสเสียงเมื่อสมาธิยิ่งสนุก็จะยิ่งได้ยินเสียงดังและชัดเจนยิ่งขึ้ น, นิตอยากทราบว่า สิ่งที่จิเรียกว่าเสียแห่งความเงียบนั้นแท้จริงแล้วคืออะไรมาจากไหนและเกิดจากอะไรค ะ, อ, ะอันนี้มันเป็นกระแสการธรรมดาการทำจิตเมื่อสงบแล้วมันจะเกิดกระแสเขาเรียกว่าคลื่นกระแสะเนี้ยถ้าหากว่าการธรรมดาแล้วเนี้ยมันมีอยู่แล้วเล็กน้อยแต่พอเวลาทำสมาธิเขาแล้วกระแสะนี้ก็จะเกิด ความมีกระแสะมากขึ้นมันมีกระแสะมากขึ้นนล้วเมื่อกลายเป็นเสียงไปกลายเป็นเสียงอะไรต่ออะไรก็ได้แต่ว่านั่นมันคือกระแสะจิตแต่เราเองเนี้ยก็จะพยายามทาความรู้ทับกระแสะนั้นก็เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ค่อยจางไปเองแล้วก็เกิด ก, กระแสะใหม่ขึ้นมาเราก็ไม่ ไปยึดถือมากนะับถือว่าเป็นกระแสจิตไปที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากเวลาที่เราทำจิดมันสะง่เงี้ยเปล่ากระแสมันจะเกิดพอกระแสเกิดมันก็เป็นเสียงกะเสียงเฉพาะเราเท่านั้นแต่คนอื่นไม่ได้ยินได้ยินเฉพาะเราเพราะมันเป็นกระแสจิตของเรา <c oughs> ต่อไปขอเชิญคุณสุจิตรามั่นนี การรัชกาลพระอาจารย์ค่ะปัญหาของจิตที่จะถามพระอาจารย์นะคะก็มีรุ่นที่ตอบไปแล้วถามไปแล้วค่ะแต่จิตจะถามมีปัญหาที่จะถามนะคะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคือจิตเกิดฝั น, นะะจะถามเรื่องฝันคือจะฝันซ้ำๆกันเนี่ยนะคะหลายครั้งค่ะไม่ทราบเกิดจาก้ะความฝันเนี่ยมันมีอยู่สองอย่าง ความฝันนี้เกิดจากอารมณ์ข้างทางแล้วมันก็นำมาเป็นตัวประกอบก็ททำให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นอาชิสมันกายกระเลสร้างพรกขึ้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งหลายๆลคนก็คงมีว่าภาพที่แสดงความสังหรณ ว่าจะให้เกิดภัยอันตรายบ้างหรือจะให้เกิดโชคลาภบ้างอันนี้มันบางทีบางคนอาจจะเป็นไปได้เรื่องของความฝันล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อเราทำสมาธิแล้วมันก็คงจะลดไอ้ความฝันนลงไปได้ขอบพระคุณค่ะ เก่อนเชิญคุณกิตชัยหานกุฑาลกิตกับสมัชชารอาจารย์ผมขอเรียนถามการอุบัติของพระพุทธเจ้าที่มีเหตุปัจจัยอะไรบ้างครับแล้วก็พระพุทธเจ้าที่เกิดที่ชมพูทุกที่นี้แล้วพุทธเจ้าอที่จะเกิดขึ้นี้จะต้องเกิดที่เดียวกันหรือเปล่าครับพระพุทธเจ้าก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็คือเป็นพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ ค, คือผู้ที่จ ะ, ะบำเพ็ญบารมีสิทัศนับตั้งแต่ทานบารมีเป็นต้นไปและแค่นี้การเกิดของพระพุทธเจ้านั่นน่ะเกิดแห่งเดียวคือชมพูทวทีหมายถึงประเทศอินเดียเพราะว่าที่นั้นน่ะจะเป็นปฏิรูปประเทศเป็นประเทศที่สมควรแก่ผู้ที่ จะเป็นพระพุทธเจ้าจะไปเกิดที่อื่นนะ่ะคงไม่เหมาะเพราะว่าที่นั้นน่ะมีทั้งดีที่สุดและเกีที่สุ ด, สดก็เป็นหนทางที่ทำให้เกิด อ, องค์พระพุทธเจ้าขึ้นตัวเหตุแวดลอ้อมอันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในคำพีท่านกะแสดงว่าชมพูทวีปแห่งเดียวสท่ น, นั้นเป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้า ครับ ข, ขอบคุณครับอ่าต่อไปอเชิญคุณประทุมแก้วสันใจกล่าวตรับาจารย์อาจารย์ใช่มีคนใช้สมาธินะคะรักษาผู้ป่วยนะคะอ่ะอาจะถามอะได้เหรอ <c oughs> มีคนเขาใช้สมาธิรักษาผู้ป่วยนะคะทีนี้พอรักษาเสร็จแล้วอ่ะก็มีอาการหมดแรงมีอาการหมดแรงแล้วก็แต่ผู้ป่วยนะ หายเดินได้แต่คนที่รักษาเยี่ยแรงทีง่มีเข่าอ่อนนี่แต่กระถามพระอาจารย์ว่าที่หมดเยี่ยแรงหมายถึงว่าสมาธิพลังจิตนี้หมดไปด้วยใช่ไหมคะคงออจะแก้ธรรมออจริงๆแล้วจะไม่หมดอย่างนั้นหรอกถ้าหากว่า คนที่รักษาคนอื่นได้ก็แสดงว่าเขามีพลังจิตไอ้ที่พลังจิตที่ไปรักษาเนี่ยพลังหลักในมันจะไม่สูญสลายมันจะไปรักษาแต่ไอ้พลังเฉลี่ยที่จะไปรักษาเกาแต่พลังหลักนั่นจะยังอยู่เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่สามารถรักษาคนอื่นได้มีเพราะท่าก็มีพลังหลักเยอะอไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าคนที่ไปรักษาเขาแล้ว พอเขาหายแล้วเราก็เลยล้มเลยคงจะไปดูหลังไปยในมาก